ขอความสุขความเจริญจะมีได้ท่านสาธรชนทั้งหลายวันก่อนได้พูดถึงเรื่องการประสูติของพระเดจ้าที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการสร้างสมปรมบารามีแล้วก็มีความประนีตขึ้นไปเป็นชั้นๆที่เรียกว่า บารมีอุปบารมีและประมัฏฐารมีก็ถือว่าเป็นการสร้างเงื่อนไขปัจจัยที่นำความสมบูรณ์พร้อมมาให้ทำนั้งหลายนั้นเกิดมาจากเหตุเมื่อเหตุมีความสมบูรณ์ผลก็จะมีความสมบูรณ์ในตัวเขาเองว่าเราจะเห็นว่าเจ้าชายธิาถะเมื่อ ในขณะที่เป็นพระราชกุมารอยู่ก็มีลักษณะนิสัยความสนใจความโน้มเอียงที่แตกต่างจากคนอื่นอาการมองโลกที่เกี่ยวข้องคนอื่นนั้นจะมีพื้นฐานของเมตตากรุณาในสูงและการเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายนั้นจะใช้ปัญญาคือไม่จะหยุดอยู่ตามที่มันปรากฏ จะพยายามที่เจาะลึกไปในเรื่อ ง, งนั้นตั้งแตการต่อมาเราก็พบว่าได้สูงยกจ่องธรรมะคือพวกเมตตากรุณาพวกปัญญาไปสูงเช่นว่าชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่เปิดเผยปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกแสงสว่างของปัญญาชนะแสงสว่างทั้งปวงเป็นต้น ด้าของเมตตากรุณาเป็นการสะท้อนเรื่องอัจยาิยสัยของมหาบุรุษว่ามหาบุรุษทั้งหลายในโลกนี้จะมีอัธฉิยสัยมากไปด้เมตตากรุณาเห็นทุกคนอื่นเหมือนกับทุกของตัวก็จะพยายามรีเปร่งบำบัดแก้ไขความทุกข์ให้แก่เขาเหล่านั้นตอนนี้ถ้าเรามองสืบสามันก็สืบเนื่องมาจากบารมี ที่เราสร้างไว้อบรุ่มไว้เราสร้างเป็นรูปของจิตสันดานเป็นลักษณะนิสัยอัตยาสัยที่เรีย ก, กอักหนึ่งว่าอธิมุิคือพื้นพื้นจิตพื้นจิตของคนนั้นๆจุดเด่นที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กๆเรื่องความพอใจติดใจในเรื่องของความสงบแล้วก็ผิดวัยนะ ว่าเด็กวัยขนาดนี้แล้วไปทำอย่างนี้มันก็ผิดกับเด็กโดยทั่วไปจะไหนพิธีว่าปะมงคลแรกนาขวัญที่เป็นพิธีซึ่งหนักไปในทางสนุกสนานแต่เจ้าชายกลับไปนั่งสมาธิทำจิตได้สงบแล้วก็สงบได้เร็วเสียด้วยเวลาคงไม่นานเท่าไหร่แต่ท่านนั่งสมาธิจนได้บรรลุประตม่ชติ แสดงว่ามันก็ต่อยอดหรือว่าความพื้นฐานสมาธิมันก็มีอยู่แล้วไปนั่งหน่อยเดียวมันก็ต่อยอดสมาธิออกไปแล้วพอไปต่ออีกทีหนึ่งเมื่อเสด็จออกพนวดมันก็เร็วนะฮะคือจบศิลปะวิทยาในสำนักของอาลาดาบดกลามโคตรุทกราบทรามหมดเร็วเพราะคำสอนในของคณาจารย์ทั้งสองนั้นก็เป็นสอนเรื่องสมาธิเรื่องฌาน รื่อรูปฌานเรื่องรูปฌาน เ, เ, เ, เรียกว่าสายสมถากรรมฐานเนี่ยเจ้าชายท่านมีพื้นฐานของท่านดีก็สอนภักเดียวนะฮะท่านก็ปฏิบัติได้แล้วแล้วก็ทรงเห็นว่ามันไม่ใช่ทางเป็นการสยบ ก, กิเลสไว้หรือสงบกิเลสไว้ภายในทานองตะกอนนอนก้นภาชนะแล้วก็ทรงเปลี่ยนแปลงวิธีเหล่านั้นเราจะพะว่าจุดนี้ก็คือปัญญา ที่ทรงใช้ปัญญาวิเคราะห์ตรวจสอบทุกขั้นตอนที่ทรงกับอไปเกี่ยวข้องไม่มีอาการสยบติดอยู่กับสิ่งนั้นๆพะถ้าเรามีอาการสยบติดมันจะมีความกำหนัดเพลิดเพลินแล้วเผยควาปรารถนาจนไม่มีจุดที่บรรจบเมื่อคืนเนี่ยไปรอเครื่องขึ้นเครื่องอยู่ที่สุราษฎร์ ไปเจอนักธุรกิจคนหนึ่งก็ไปซื้อที่ดินที่อำเภอการเดือนันดิตถามเขาซึ่งจะทำธุรกิจบอกจะสร้างบ้านให้คนซื้อสร้างบ้านขายตั้งคำถามว่าคนเราเนี่ยสมมติว่าคนฐานะดีๆหน่อยนะฮะมีเงินสักเดือนละแสนเนี่ยมีเงินมีเงินจ่ายเดือนละแสนนี่พอไหมกรถามสามคนนะฮะ คนหนึ่งค่อนข้างมั่นใจเป็นผู้ใหญ่หน่อยเดีเขาบอกว่าพอแต่อีกสองคนไม่มั่นใจไม่มั่นใจว่าจะพอนั้นแสดงให้เห็นว่าจิตใจมันไขว่คว้าปรารถนาที่จะก็ไม่รู้อยู่อย่างไงนะฮะตั้งแสนตั้งจ่ายไป่พอก็ น, นึกไม่ออกเหมือนกันจะจ่ายอะไรแต่ด้วยใจที่มีกิเลส ที่มันปรุงได้เรื่อยๆแล้วก็ถูกปรุงชงมาจากข้างนอกด้ว ย, ยใจก็จะป่อยความไปเรื่อยๆขาดปัญญาพิจารณามองถึงสารแก่นสารที่เราจะได้จากสิ่งนั้นแล้วในสุดก็สยบติดคือกลายเป็นธาตุของอารมณ์ของกิเลสไปถูกปรักสถูกเสือกสาไปตามหน้าของอารมณ์ เ จ, จ้ชายธิตาท่านไม่มีลักษณะอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามคือไม่มีอาการของความสยบติดแต่ทุกอย่างจะใช้ปัญญาเข้ากํากับบทคราวที่พระราชบิดานําไปเยี่ยมราษฎรในสานองเรียบประพาสพระนกรรัรดชดรจมพระบารมีด้วยแล้วก็พระองค์องเองก็จะต้องการจะเห็นบ้านเห็นเมืองด้วยดูแล้วน่าจะเพลิดเพลิน เพราะมีการปรุงแต่งประดับประดาว่าอย่างดีแต่เจ้าชายท่านใช้ปัญญาคิดพิจารณาเทียบเคียงโดยการเทียบเคียงเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่การวินิจฉัยถูกผิดดีชั่วจริงไม่จริงเนี่ยมันต้องมีการเทียบเคียงและสิ่งที่นามาเทียบเคียงได้ง่ายก็คือก็คืออาคารสถานที่ถนนนนทางนะฮะเทียบเคียงได้ง่ายพราะพะเจ้าสุโธตนาท่านสั่งเก็บหมดเลย คนแก่คนเจ็บอะไรต่ออะไรที่พิกลพิการทั้งหลายนี่กวาดหมดเลยเพื่อไม่ให้เจ้าชายเห็นแต่ว่าสิ่งที่เห็นมันก็คือบ้านเรือนซึ่งมีขนาดแตกต่างกันลักษณะแตกต่างกันมันสะท้อนกลับไปหาอะไรอีกมากมายที่อยู่เบื้องหลังของบ้านเรือนเหล่านั้นไอ้สุก็ต้องการพิสูจน์ทดสอบแล้วก็ขออนุญาตไปกับนายช น, นะ โดยไม่มีการบอกให้ใครรู้ล่วงหน้าความจริงมันก็ปรากฏเป็นมาความว่าใครจะแสดงอะไรก็แสดงไปแต่ท่านไม่ติดตรงนั้นในขณะเดียวกันก็ไม่ไปโกรธคนที่แสดงเพียงแต่ว่าเป็นตัวกระตุ้นที่จะให้หาความจริงเจาะลึกลงไปมากกว่าที่มีการแสดง วันคนเหล่านี้แม้จะอยู่ในโลกสมมติว่าอยู่ระดับดังนั้นเน่นะ ค, คือคือคือไม่ไม่ไปเจริญสมาธิไม่ตัจรู้อะไรเนี่ยแต่ก็อยู่โดยไม่สยบติดอะไรเพราะปัญญามันจะเข้ากำกับอยู่ทุกขณะมีการตัดสินพระไทยที่เด็ดเดียวว่าจะทำอะไรเนี่ยต้องทำได้แล้วก็ทำดีในแต่ละเรื่อง พอเวลาเข้าไปศึกษาในสำนักของครูวิศวามิตรเขาก็ศึกษาแตกตานทคำนี้ชำนาญแล้วก็เหนือคนอื่นแต่ในขณะโดยกันก็ไม่โอวดตซึ่งสืบเนื่องมาจนถึงมีการสอนเวลาศึกษาในพระพุทธศาสนาถูงแยกการอาษาเป็นสามระดับสามประเภทนะครับ ประเภทหนึ่งเรียกว่าอลักขาถมาปะปริยัติเป็นการศึกษาแบบอันสรพิษหรือ ง, งูพิษศึกษาแล้วก็มาโอ้อวดมาทิ่มตามมาเอาชนะค่าขานกันแล้วก็เพิ่มโลภะโทสะเพิ่มมานะเพิ่มทิฏฐิอะไรอีกมากมายไกลก็เดี๋ยวอัตตามันก็เขืองกันไปเรื่อยๆจนฟังคนอดื่นไม่เป็นเป็นคำพูดคำจามันก็กลายเป็นประกาสี คนอื่นจะต้องเชื่อจะต้องฟังตนเองกนั่นแสดงการเพิ่มขึ้นของโลภะโทสะโมหะแล้วก็มานะทิชฌมันเพิ่มขึ้นแต่พราว่าบางคนทีนจบ ป, ปริญญาเอกมาเนี่ยพูดกันไม่รู้เรื่องเลยนะคือต้องฟังเขาลูกเดียวฟังคนอื่นไม่เป็นทีนี้แต่ถ้าเราศึกษาโดยมีสติรู้เท่าทันมีปัญญารู้เท่าทัน สิ่งที่เรารู้นั้นที่จริงแล้วจะน้อยอยู่เสมอสิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยจะมากเพราะโลกมันกว้างใหญ่ไพศาลนึกเกินเอาก็จริงเราก็รู้อะไรไม่มากอย่างที่นักประยาาของกรีกโซเติสนะแกบอกแกรู้ของแกอย่างเดียวคือแกไม่รู้อะไรเป็นสัจจะสิ่งเดียวที่ท่านรู้ก็คือ รู้รู้ตัวเองว่าไม่รู้อะไรแต่ท่านก็เป็นนักปรัญญานะฮะเป็นนักปราชถนใหญ่ก็อยู่หลังพระพุทธเจ้านิดหน่อยดังนั้นการศึกษาการหาความเข้าใจสิ่งทั้งหลายถ้าปัญญาข้อกํากับอยู่เรื่อยเนี่ยจะไม่มีอาการในเนีนั้นไม่มีาการเพิ่มกิเลสแต่จะมีอาการของการลดกิเลส พอจนถึงเสด็จออกพนวดมีการศึกษาค้นคว้ายุ่แยะนะฮะที่ที่จริงที่เล่าเองนะฮะที่พระเจ้าเล่าเองเนี่ยเเกินทดลองระพฤติปฏิบัติบางตอนนี่เกือบตายมีตายแหลงีหลายครั้งนะฮะเกือบจะสิน้นพรชนแต่ทุกอย่างคือการศึกษาการพิสูจน์ทดสอบโดยไม่สยบติ โดยไม่ได้ไปดูตรงนั้นนะคดูที่จิตดูที่จิตของเราอเองว่าผลจากการศึกษาเราพึ่งปฏิบัติอย่างนั้นจิตมันเป็นยังไงบ้างเพราะถ้าเราจะพิสูจน์จากตัวนอกนี่คงยุ่งเหมือนกันนะครับวรูปแบบมันรุงรังอะไรกันเวลาพิสูจน์นั้นเราพิสูจน์จากตัวไหนคือพิสูจน์จากจิตเราเร พ, พอปฏิบัติอย่างนี้เป็นไงกิเลสมันมันลดไปไหมมันอาจจะลดนะสมาธิที่จริงกิเลสลดลงมาเยอะ แต่ก็ตรวจสอบเวลากระทบอารมณ์ดูจิตให้ชัดว่ายังมีความรักมีความโกรธมีความเรียกว่ามีความยินดียินร้ายในอารมณ์ตั้งหลายอยู่หรือไม่กระสับใดยังมีความยินดียินร้ายเราแสดงว่ากิเลสยังมีครบบริบูรณ์เพียงแต่ว่าไม่เกิดขึ้นกรุมใจอย่างก่อนที่เราฝึกจิตเท่านั้นเอง และบางทีมันมันก็มองในลักษณะที่เชื่อมอย่างเช่นสมาธิสมาธิคือจิตที่สงบนั้นเป็นอาการของจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับเรื่องที่ดีแต่ในขณะเดียวกันเราต้องดูดตัวที่ลดไปให้เห็นด้วยก็คือพวกกิเลสประเภทโลภะนี่มันลดเรียก า, าจะในนิวรณนั่นเรียกว่าการมฉันนั่นนะ ก็ดูจิตว่าจิตยังเหนียวนึกตรึกนึกในเรื่องของกามอยู่หรือเปล่าเพราะแต่เหนียวนึกตรึกนึกก็แสดงว่าเป็นมิจฉาสังกปะแต่สมาธิเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากสมาสังกปะคือความคิดชอบถ้ายังคิดผิดอยู่สมาธิไม่เกิดอะเพราะเราเราอาจอาจจะเห็นว่าจิตมันสงบแต่ก็ดูที่ตัวสมาสังกปะ ว่าจิตนั้นยังคิดชอบหรือไม่อย่างเหนียวนึกตรึกนึกประการวิตกหรือไม่พยาบาทวิตกหรือไม่วิ่งสาวิตกหรือไม่แล้วก็ดูแล้วเกิดความเข้าใจเพราะงั้นเจ้าชายจะท่านจะดูศึกษายังไงก็ตามตอนักอุทกดาบทนี่ไม่เบานะฮะในวสัญญานสัญญาญตนะมันก็สุดยอดสุดยอดของของลัทธิในสมัยนั้นเพราะเป็นอรูปปัจจานสมาบัติที่แปดเนี่ยมันก็สุดละ ไม่มีใครขึ้นไปเกินนั้นถ้าก็ขึ้นไปถึงแต่ท่านก็ไม่สยบติดเพราะนั้นแนวหล่อ น, นี้ไม่ใช่ปฏิเสธนะฮะไอเรารองสังเกตพทธเจ้าเอามาสอนเอามาสอนเราก็สอนสืบต่อกันในท่อนล่า ง, างมันก็ศึกษามาในสมนักอุตการดาบุอลาอลาดาบทกาลามโคตรอุตการดาบทรรามบท ปุสสมาชิแม้แต่นาปานสติเองมันก็อยู่ในโยคะสูตรที่ต่อมาท่านปตันชลีเจ้าของรัชโยคะเอามาอธิบายเยอะแยะหมดแต่พระเจ้าไม่ไดเอามาทั้งหมดนะเอามานิดเดียวเอามาเฉพาะเป็นฐานในการทำจิตให้สงบให้ตัวสมาธินั้นเป็นตัวสร้างปัญญาขึ้นมา นืปัญญานั่นเองก็จะไปวินิจฉัยตรวจสอบแม้แต่สิ่งที่เป็นผลคือเนวสัญญาณสัญญาเยอะแต่หนาทุกมันละเอียดมากก็เห็นว่าที่จริงมันก็เป็นไปพวกพบก็ยังมีพบเพียงแต่วันพบเป็นประณีต่นั้นเองนั่นก็คือพิจารณาเทียบเคียงไปเรื่อยๆในการปฏิบัติคราวนั้นที่รับสั่งเล่าในตอนหลังเนี่ยมันถ้าเรียงลําดับไปนะฮะถ้าเรียงลําดับก็คือเริ่มพิารณาปานสติ แล้วก็ผ่านนาบานติเจริญไปก็เป็นสมาธิสองระดับคือเป็นอุปจารสมาธิคือเพิ่มความสงบขึ้นไปแล้วก็อปัปนาสมาธิแต่ทีนี้พวกนี้ที่จริงพระองค์เคยได้แล้วนะฮะเคยได้มาแล้วเวลาจะไปมันก็ไปพูดๆไปเลย <S <S <S นั่งหน่อยเดียวทั้งก็ไปครบแล้วจนถึงอรูปฌานก็เข้าไปที่รูปฌานอารูปฌาน รูปประจานที่จริงมันละเอียดมันละเอียดมากจนมองอะไรดูไม่ชัดเพราะนักเจริญนิพพานนาเขาเจริญแค่รูปประจานก็ไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะขึ้นไปบนมันดูไม่เห็นบางท่านที่มีปัญญาแหลมคมสมาธิพอสงบหน่อยท่านก็เจริญนิพพานนาได้ครับแต่บางท่านมันก็ต้องเดินมาจนถึงจจตุจาชา์มันก็ดู เ, เรียกว่านามารูปนะ แต่ใจริงที่ท่านดูส่วนใหญ่มันก็เป็นนามแล้วขนาดนั้นนะนะก็ดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วก็เข้าไปในใจลักก็พิจารณาเห็นจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตที่อ่อนพร้อมจิตที่มันพร้อมแล้วก็น้อมไปเพื่อเกิดความรู้ในเรื่องต่างๆแล้วเกิดยานผุดขึ้น ก็ลกลายเป็นความรู้ซึ่งเราพูดในตอนนั้นว่าบรรลุพระญาณสามแต่วางทีเราก็พูดวิชาแปดนะฮะบางทีก็พูดอะพิญญาหกก็ก็ที่ที่จริงจะพูดอะไรก็ตามก็คือการเนี่ยเป็นการรู้เรื่องกฎของสังสารวัตรกฎของกรรมแล้วก็การหลุดพ้นจากกรรมหลุดพ้นกับสังสารวัตรก็จบกระบวนการของชีวิต วันธรรมะ ส, ส่วนใหญ่ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องกรรมกับเรื่องสังสารวัตรเรื่องหลุดพ้นจากสังสารวัตรนั้นมันไปอยู่ที่พวกอภิธรรมแต่ถ้าพูดระดับของพระสูตรพระวินัยแล้วนี่จะอยู่ระดับนี้มากเพราะอะไรเพราะคนส่วนใหญ่มันก็แค่นี้คือทำอยังไง ร, รียะตกแต่งพบชาติแต่มีความประนีตขึ้นไปก็ไม่ถึงกับบรรลุมกผล อันนี้ผ่านอะไรแล้วฮะก็จะเอากันแค่นี้ไปก่อนเรียกว่าเป็นเครื่อประดับจิตเพื่อให้จิตมันมีคุณภาพจิตมันเบาจิตเบามันจิตมันก็ขึ้นสูงนะฮะก็เรียกว่าภูมิจิตมันจะสูงขึ้นการได้ภูมิจิตสูงขึ้นก็เพราะภูมิธรรมมันสูงขึ้นภูมิธรรมเพิ่มภูมิจิตก็เพิ่มก็ยกระดับจิตไปเรื่อย que. เหมือนกับภูมิรู้นะฮะเหมือนกับภูมิรู้เรา ภูมิรู้เราสูงก็ทาให้สถานะที่เราได้เรามีเราเป็นมันก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆก็คือขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงภายในจิตการสอนส่วนใหญ่เราจึงพบในเรื่องเกี่ยวกับกรรมเรื่องสังสารวัฏแล้วก็เรื่องการหลุดพ้นจากอสวกิเลตซึ่งซึ่งจะพูดในแนวของการลดนะฮะการลดกิเลสมากกว่า ว่าเอาเขาจริงเจะอาชนะเขาก็ค่อนข้างยากกันไม่ใช่ค่อนข้างแล้วก็ยากกันมากมากต่อสู้กิเลสเรื่องเดียวนะฮะอย่างเดียวก็ทำลาบากแล้วบางทีที่ทีเขาบอกว่าจะดิดติดตัวนะฮะชิงไม่ได้ก็ละไปไม่ได้มาอย่างไงก็ไปเช่นกันเลยก็แสดงถึงความหนาของกิเลส แต่เจช้ชายสัตท่านท่านท่านมีบารมีกิเลสมันบางนะฮะกิเลสมันบางแต่ไม่ได้ถึงก็ไม่มีหรอกมันก็กิเลสน้อยเบาบางที่ส่งใช้ก็ว่าน้อยเบาบางมั น, งนก็เหมือนกับสนิมมันก็พื้นที่มันสกป่งน้อยมันขัดง่ายผ้าที่โสกรปรกน้อยมันก็ขัดง่ายจิตใจที่มันสกป่งน้อยมันก็ขัดง่ายแต่ที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าพวกปัญญาบารมีที่ส่งใช้ สามารถหาประโยชน์จากทุกเรื่องที่ทรงสัมผัสในขณะนั้นนั่นเอามาเป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้ได้ทั้งหมดที่จะถามว่าในการตัดสู้เราเคยพูดรายละเอียดในเรื่องใายร่มโพธยานมาแล้วนะฮะก็คงจะไม่เอาตรงนั้นแต่ว่ามีบทที่น่าศึกษาอยู่เขาเรียกว่าอุทาน ก็เป็นทีน่น่ า, าตั้งเตกขอผู้เจ้าตรุอริสัตสแต่เวลาพิจารณาไม่ได้พิจารณาอริสัตสีนะพิจารณาปฏิจจสมุปบาทถามว่าปฏิจจสมุปบาทกับอริสัตสีนั้นมันต่างอะไรกันที่จริงไม่ต่างกันนะฮะอริสัตสีนั้นคือปฏิจสฏจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทก็คืออริสัตสีที่ขยายที่ขยายออกไป อย่งางเมื่อก่อนมีท่านผู้หนึ่งถามเรื่องสติปัฏฐานทีเจ้าทรงสอนสติปัฏฐานว่าทําไมไม่เหมือนกันบอกว่ามันย่อหรือพิสดารอย่างที่เรานํามาบรรยายที่ที่ทนี่ที่ตึกสวอเนี่ยแต่การพูดแบบพิสดารเรียกมหาสติปัฏฐานแต่ว่าเนื้อหาหลักที่นํามาพูดก็คือกายเวทนาจิตธรรมเหมือนกัน แต่บางทีจะทรงยอดใช้กรรมการเฉยๆวปตาเฉยๆจิตเฉยๆทำเฉยๆเพราะอรเพราะคนฟังเขาเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องให้รายละเอียดอะไรก็ศึกษาเองวิจารณเอาเองเราจึงพบสติปัฏฐานมีทั้งหลายแห่งนะฮะแล้วก็รูปของสติปัฏฐานในตั้งเจ็ดแปดแห่ง สแสดงย่อสแสดงพิสดารแสดงบางทีก็สี่ห้าบรรทัดแต่นั้นเองนะฮะสี่ห้าบรรทัดแต่นั้นเองแต่โดยเนื้อหาแล้วเท่ากันถ้าหากว่าปฏิบัติไปเนี่ยผลจะเหมือนกันก็คล้ายๆกับอะไรนะเป็นสถานที่หนึ่งก็กำหนดว่าต้องไปได้วยเรือคือเรือขนาดไหนก็ไม่รู้ก็ไปถึงเ้วยกัน ไปด้วยรถหรือไปด้วยเดินเนี่ยมันะก็ก็เดินยังไงก็ตามมันก็ไปด้วยกันปช้าหรือเร็วก็อีกเรื่องหนึ่งมันมันมั น, มนอยู่ที่อยู่ที่คนนั้นในการเขาเรียกอุดทานเ น, ะธธนี่ยอุดทานได้งจริงมันไม่เจ่เทศนะฮะมันเป็นเขาเรียกว่ามันเกิดขึ้นด้วยโสมนัสยานคือเกิดขึ้นโดยปีติแล้วมันเปล่งคำพูดนั้นออกมาไม่มีคนฟังอนะไม่มีคนฟังหรอกก็พูดคนเดียว เปล่งขึ้นมาโดยโดยโด ย, โด ย, โดยโอุทานขึ้นมาเป็นคนเดียวแล้วก็ทีหลังก็รับรับ่างเล่านะในครั้งแรกก็คือพิจารณา พ, พิจารณาปฏิจาสมบัติปฏิจาสมบัติก็คือก็คือเหตุผลนะเป็นกระบวนการของเหตุผลคล้ายๆกับเรามองอะไรล่ะเรามองคลื่นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นกระบวนการของเหตุผล นับจากคลื่นตรงไหนก็ไม่รู้มันทยอยกันไปเรื่อยเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับทยอยกันไปเรื่อยๆแล้วศาสตรใดที่ยังมีคลื่นลูกที่หนึ่งเนี่ยคื่นลูกที่สองก็ต้องตามมาเพราะคลื่นลูกที่หนึ่งก่อนมันจะดับต้องสร้างคลื่นลูกที่สองก่อนแล้วก็ทยอยกันไปเรื่อยอย่างเงี้ยเมื่อไรจะจบก็ไม่รู้อะยังมีเหตุปัจจัยมีคลื่นมันมันก็หมุนก็มันอย่างนั้นเองเป็นกระบวนการธรรมชาติเพราะั้นพอเรานับคลื่นเลยมันยาวและสิ่งทั้งหลายก็เป็นกระบวนการอย่างนั้นไอแนวผู้กระบวนการนั้น เรียกระบวนการของเหตุผลวมมผล่มีเหตุมีผลมีเหตุมีผลมีเหตุมีผ ล, ผลทุกอย่างนั้นเป็นผลมาก่อนนะแล้วตัวผลนั่นเองก็จะสร้างเหตุเมื่อสร้างเหตุเสร็จแล้วตัวผลที่เกิดขึ้นมามันก็สร้างเหตุต่อทำนองคล้ายๆกับต้นพืชที่มาจากเมล็ดพืชไอ้เมล็ดพืชจริงๆมันมาจากผลของพืชผลของพืชมันก็มาจากต้นพืชต้นพืชมันก็มาจากเมล็ดพืชพอ่ย้อนกลับมามันก็หมุนก็หมุนวนก็ยังเงี้ย เป็นกระบวนการของเหตุผลที่ต่อเนื่องราับใดที่ยังมีเหตุผลก็ต้องเกิดแล้วไอ้ตัวผลนั่นเองเนี่ยทาหน้าที่เป็นเหตุทำนองใกล้ๆกระบวนการเกิดของคนสืบสายสกุลคนแต่ละคนมันก็เป็นทั้งผลทั้งเหตุว่าหาว่าพูดกับใครเต่ถ้าพูดกับพ่อเราก็เป็นผลของพ่อพูดกับลูกคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็เป็นเหตุของลูก กลูกนันเองพูดกับใครแต่พูดกับพ่อแม่เขาก็เป็นผลพพูดกับลูกเขาเขาก็เป็นเหตุก็ก็ทยอยกันอยู่อย่างนี้วัตแนน่งตรงนี้มันลากยังไงก็ได้ลากให้ยาวยังไงก็ได้แต่ว่าทรงลากเป็นรูปของห่วงลูกโซ่ที่คล้องต่อกันไปเป็นสิบสองห่วงตัวใหญ่มันก็มีมีอวิชาเป็นหัว หมาความมาจับใดที่ยังมีอวิชชาอยู่กระบวนการการเกิดในสังสารวัตรการกระทำกรรมหนักบ้างเบาบ้างเป็นสุขบ้างทุกบ้างเนี่ยก็ต้องมีอยู่จาบนั้นน่แต่ในขณะเดียกันอีกอี ก, อ, กอันหนึ่งถ้าเราตัดที่อวิชชาได้ทั้งหมดมันก็ดับเ่าแนวคราวหนึ่งที่เราเคยพูดแล้วก็เอามาแพร่หลายที่ก็พูดเรื่องสงครามเวียดนามที่จะไม่ใช่เวียดนาม คอมมิวนิสต์นะฮะคอมมิวนิสต์ที่จะบุก ป, ประเทศไทยคือก็มองเป็นโดมิโนโของไพ่ต่อแต้มที่ว่าคือถ้าเอาประเทศไทยพังได้เนะะี่ยมาเลพังสิงคโปร์พังแล้วก็ไปฟิลิปปินส์ดิโดนีเซียไปออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็ต่งางวรต ก, ก็ไปประมาไอ้บังกลาเทศอินเดียมามันก็ถือว่าถ้าพังไทยได้แล้วมันจะพังเป็นแถบไป ถ้าเราดูช่วงนั้นนะนะความคิดในช่วงนั้นที่จริงไม่ได้มีเฉพาะศาสนาไอ้ไม่ได้มีเฉพาะคอมมิวนิสต์พวกคริสต์เองก็ประชุมที่สิงคโปร์เขาก็วางแผนอย่างนั้นคือเอาประเทศไทยเป็นเป็นจุดตั้งจุดล้มโดมิโนโ ต, ตัวแรกน ะ, ะจะล้มแล้วในย า, ยายนาตามไปอย่างที่ว่าเ น, นี่ยแต่บริไทยไม่ล้มแต่มาล้มไทยก็เป็นประการป้องกันมาเลสปองกันสิงคโปร์ป้องกันฮ่องกงป้องกันเป็นแถบไปนะฮนะ ของการพวก ล, าล่างๆเราแล้วข้างๆเราทางตะวันตกของเราเป็นแถบนั่นคือล้มล้มหรือไม่ล้มถ้าล้มก็ล้มด้วยกันนะฮะหมาความถ้าเกิดก็เกิดด้วยกันถ้าดับก็ดับด้วยกันพวกนี้จึงเป็นผลที่ต่อเนื่องเหมือนกับงูตัวหนึ่งยาวเหยียดยังไงก็ตามนะฮะตัดหัวก็จบแล้วก็ตายแล้วเหลือกระบวนการคิดในแนวนี้เราก็คิดมาจากหัว ในวาความมสาวจากปลายไปหาเหตุลึกๆจริงๆเราใช้อยู่ทุกกระบวนการทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่จริงมันก็อยู่ในกระบวนการของปฏิจจสมบัติการรักษาโรคการอาบน้าการกินอาหารการบริหารร่างกายการสร้างบ้านสร้างเรือนการผลิตสินค้าที่จริงมันอยู่ในกระบวนการกระบวนการของปฏิการเราจะมองเป็นระบบผลเ็นว่นาแต่ยงไม่เกิด แต่เรามองเมื่อสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิ ด, กดมันก็ทยอยไปเรื่อยจนสิ่งนั้นเกิดแล้วก็หมุนกลับเข้ามาอีกมันก็กลายเป็นวงจรที่ไม่รู้จบเพราะฉะนั้แนววงจรไม่รู้จบบางทีท่านก็พูดนิดเดียวที่เราเรียกว่าวัตตะสามคือวนเป็นรูปเป็นรูปวงกลมสามมีกิเลสทํากรรมรับผลกรรมกิเลกก็เกิดอีกมันก็เหมือนอะไรนะเหมือนเหมือนกับคนไทยยกคนไทยไากินน้ําพริกปลาทูเนี่ย น้ำริวบะทูนั้นที่จริงเรารับรู้เราสัมผัสมาถ่ายทอดมาเมื่อไหรก็ไม่รู้นะฮะแล้วเราก็ได้ลงรู้สึกพอใจเราก็อยากกินอยากกินเราก็ศึกษาวิธีปรุงป ร, งปรุงแล้วเรากินมันก็กิเลสวังเกิดแล้วก็ทํากรรมคือคือการกินต่อกินต่อก็ยังติดใจยอยู่นะได้รผลแล้วจากผลนั้นเราก็ชอบชอบเหตุมันอีกเราก็สร้างหมุนวงกันอยู่มันก็ถ่ายทอดกันมาเรื่อย วันใดคนไทยเรื่องเริ่มเหม็นกะปิเริ่มเหม็นน้ำพริกมันก็เลิกเองไงนะแต่ว่าถ้ายังไม่เป็นอย่างนั้นไอ้สิ่งนี้ก็ถ่ายทอดไปไม่มีจุดจบไม่ว่าจะจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนั่นคือกระบวนการของกิเลสกรรมวิบากไปพูดในแนวกิลิกรรมวิบากพอเกิดความอยากขึ้นมาก็ทำตามที่เราอยากพอทำตามที่อยากมันก็ได้ผลที่เราเกิดขึ้ น, นจากกลางทำเราพอใจตัวผลนั้น เราก็มีความใหญ่มันก็ทำการบดีก็บุญกันไปไม่มีไม่มีที่สิ้นสุดเพราะงั้น เ, เวลาอุทาหเนะี่ยทรงเปลง่งอุทารจะเปล่งในกระบวนการก็เหตุผลคือหลังจากดูปฏิจจสมบาทแล้วเนี่ยในช่วงแรกจะมองในช่วงยาวที่มันเป็นสังสารวัตรมองย้อนอดีตของพระองค์ไปไม่รู้จบสิน้นมันยอแยะไปหมดเลยเกณนกระบวนการในสังสารวัต แล้วก็เปล่งเป็นพุทธอุทานว่าก็ เ, าเรียกเป็นปฐมพุทธพจน์นะหมายความว่าเป็นธรรมเทศนาครั้งแรกแท้จริงไม่ได้เทศอะไรใครฟังนะครับเพราะอยู่องเดียวองเดียวเพราะเราเมื่อสแสวงหาอยู่ซึ่งนายสางคือตหาผู้สร้างเรือนได้ต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัติเป็นอนเนกคุยเยอะแยะไปหมดเลยอน เ, อเนกแปลว่าไม่ใช่หนึ่งคือนับไม่ได้นะครับ แล้วก็ส่งเหตุว่าการเกิดบ่อยๆนั้นเป็นทุกข์ร่ำไปรับสั่งว่าดูก่อนในะช่างหรือตันหาผู้สร้างเรือนแบบ น, นี้เราพบตัวเธอแล้วเธอจะสร้างเรือนคืออัตภาพให้เราต่อไปไม่ได้อีกแล้วระอุปกรณ์การสร้างเรือนทั้งหมดเราหักทำลายหมดแล้วและจิตของเราเป็นวิสังขารคือไม่มีเครื่องปรุงแต่งเพอดับตันหาแล้วก็นิพพาน จะเห็นว่าข้อความสั้นๆเนี่ยข้อความสั้นๆการเราเมื่อเที่ยวท่องเที่ยวไปเมื่อเมื่อสแสวงหาอยู่ซึ่งในช่างเกิดแต่นาผู้สร้างเลือดเที่ยวไปในสังสารวัตรเป็นนั้นมากนะักกนะ็เหตุสองเหตุไม่ใช่เหตุกับผลก็คือความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากการเกิดเกิดแล้วก็แก่นะก็แก่ก็เจ็บก็ตายนะฮะอย่าได้เคยเล่าความบรรก่อนหน่อยฟังฟังเด็กเขาพูดผู้คมนะฮะเด็กผู้หญิง ก็ถามเรื่องความทุกข์ในชีวิตของแกนะว่ามีอะไรแกบอกก็ทุกข์เพราะความมีชีวิตคมมากๆเลยคมมา ก, มา ก, ม, ากมากเลยนะฮะคือสรุปว่าความทุกข์ทั้งหลายมันมาจากความเกิดเท่านั้นเองคือเรามีชีวิตให้ทุกข์และจากความรู้สึกว่าเป็นเรานะถ้าเราไม่ไม่รู้สึกว่าเป็นเราหรือว่าเราเป็นแล้วก็เราก็ไม่ทุกข์อะ่ะความทุกข์บเกิดขึ้นมาจากการนามาเชื่อมกัน อย่างที่พระเจ้าทรงแสดงว่าสังกิตเตนะปัญจุปทานะกันธาทุกขากระโดยสรุปแล้วจิตที่ยึดมั่นถือมั่นในสังขารในขันธ์ทั้งหนะ้าน่ะเป็นทุกนั่นะคือการมองชาติปีทุกขาเจราปีทุกขาบระนำปีทุกขาไม่เบานะฮะเด็กขนาดนี้อายุขนาดนี้พูดได้กนนี้นี่คบมากๆทีเดียว แ, วแสดงว่าผ่านการศึกษาในเรื่องธรรมะมามากแล้วก็มีบา ร, รมีนะฮะ คือเด็กเดกอายุสิกว่าปีคิดได้อย่างนี้พูดได้อย่างนี้แสดงว่าต้องมีบารมีทีนี้ถ้าบอกการเกิดไบวชก็เป็นทุกข์เราไปก็ทุกข์อะไรคือเกิดเกิดแล้วแก่แก่เจ็บเจ็บตายมันก็หมุนวนอย่างนี้ยหาจุดจบไม่ได้แต่บ้านจริงๆมันเป็นผลมาจากนายสร้างหรือตัณหาผู้สร้างเรือนหมายความยังไงหมายความว่าถ้าตรงนั้นเราไม่มีตัณหามันก็มันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่า การเกิดมันเป็นผลด้วนั่นเองตัวเหตุจริงๆมันมาจากตัญหาแต่ว่าตัญหามาจากไหนก็มาจากอวิชช า, ามันก็มามม่ๆกันอยู่ยางเงี้ยนะฮะปัญหาวิชาเราจะเห็นว่าในปฏิจจสมบัติจึงมีกิเลสที่ท่านเรียงไว้อวิชชาตัญหาอุปาทานหมายความว่าตัญหานั้นเกิดจากอุปาทานก็ได้นะเช่นเช่นคนไทยไปไหนก็พกน้ำปลาไง น, นนะฮะ กินไม่มีน้ําปลารู้สึกว่าไม่อร่อยนั่นเป็นอุปทานเฉยๆที่จริงน้ําปลาก็คือเกลือคือความเค็มนะฮะน้ําปลามันก็คือความเค็มแต่นั่นเด้งแต่คนไทยเราไม่กินถ้ากับเกลือนี่ไม่เอาไม่ชอบต้องเอาน้ําปลาแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะฮรเคยสังเกตนักศึกษาแพทย์เนี่ยเขาไม่กินน้ําปลาแต่ก็กินเกลือก็ใช้เกลือฮรเพราะพวกนี้เขาเรียนมา เรียนมาแล้วก็อาหารส่วนใหญ่ก็ใช้เกลือจริงเกลือกับน้ําปลาก็คือกันเพียงแต่ว่าที่ต้องเป็นน้ําปลาก็เพราะอุปาทานยึดมั่นนะฮะยึดมั่นว่าต้องมีน้ําปลาขาดน้ําปลาไม่ได้ไปไหนก็พกน้ําปลาลงทะเลก็พกน้าปลาขึ้นเครื่องบินก็พกน้ำปลานะฮะไปต่างประเทศยังไาก็เอาน้ําปลาไปได้แต่พอดีตอนนี้ก็มีขายแล้วแต่นั่นก็คือคือลักษณะของอุปทานที่เรายึด ก็ก่อใหอเกิดตัญหาจะถามทำไมมันเกิดมันเพราะเราไม่รู้เห็นตามความจริงเพราะจริงๆก็คือเข็มก็คือความเข็มแล้วก็รับสั่งว่าดูคนในช่างคือตัญหาผู้สร้างเรือนบัด น, นี้เราเห็นเจ้าแล้วก็หมายความว่ามันเกิดสัมมาทิฏฐิคือปัญญาที่เห็นชอบขึ้นมาภายในใจก็คือเกิดมรรคนะฮะแลวความบมังก็ปฏิบัติไปตามมรรคแล้วก็ ทำลายตัวอุปกรณ์ทั้งก่ อ, อสร้างทั้งหมดในในที่นี้ท่านใชา้มาเรือนยอดหมายความมามียวิชามันสรุปรวมเรือนยอดเนี่ยมันมันไปรวมไว้บนเดียวคล้ายๆกันอะไรคล้ายๆกับโดมทั้งหลายนะฮะไอ้กโดมเนี่ยมันมันมันไปอยู่ที่โดมสรรพสิ่งที่หลายมันมาจากกาิชาตังการเบรนี่ปรุงทาลายหมดแล้วเรือนยอด เกวิชาก็ทำลายหมดแล้วเพราะอะไรเพราะว่าบรรลุนิพพานก็คือนิโรธพอตัวนิโรธหรือนิพพานจิตก็เรียกวิสังขารกะตังจิตตังจิตมันไม่มีเครื่องปรุงแต่งเพราะอะไรเพราะว่าตัณหานังกายมัจจ ะ, ะมันหมดตัณหาแล้วนั่นเป็นการประรบถึงอริยสัจนะก็คือปฏิจจสมบัติ ที่ประอ์ได้สัสรูแล้วก็ทรงพิจารณานั้นเองว่าเพราะผลของการรู้เห็นตามความเป็นจริงในอริยสั์นั้นพระองค์ก็หลุดรอดจากอำนาจกตัญญาหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าจากบัดนั้นตลอดไปนะฮะพระองค์ก็จะไม่มีการเกิดจะไม่มีพบเป็นที่เกิดแล้วจะไม่มีชาตินะฮะไม่มีชาติไม่มีภพ เมื่ก่อนไปอบรมที่วัดวัดหนึ่งก็ถามพระเรื่งท่านจเจริญกรรมฐานในพวกธรรมกายนะ ถ, ถามวาถึงธรรมกายหรือย่างท่านบอกว่าถึงแล้วก็ถามเอธรรมกายปากน้ํามาคลองสามทำไมรูปไม่เหมือนกันไปเห็นมาด้วยกันท่านก็ว่าดําน้ำมาเรื่อยๆนะคือนี่ก็ที่จริงถ้าสัมผัสด้วยกันเนี่ยมันต้องเหมือนกันฮะสัมผัสด้วยกันเนี่ยต้องเหมือนกันคล้ายๆกับเค็มเนี่ย สัมผัสโดยกันต้องเหมือนกันเพราะนั้นพระหันกับพระเจ้าถึงสัมผัสเหมือนกันพระเจ้าบอกว่าชาติสิ้นแล้วไม่ใช่อายะมันติมาชัดนัตถิดาเนปุณัปภะชาติสิ้นแล้วพบใหม่ไม่ได้มีอีกแล้วเพราะงั้นเวลาพระหันท่านสัมผัสเนี่ยท่านสัมผัสาชาติสิ้นแล้วก็ไม่มีการเกิดอีกแล้วเพราะงั้นสิ่งมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะสัมผัสเหมือนกัน เวลาอธิบายเนี่ยใครอธิบายก็ได้นะะใครอธิบายก็ได้เราเคยพบประสูตรเยอะที่ว่าแทนที่พระเจ้าจะอธิบายเองไม่อธิบายให้ภาษาลิบุตรอธิบายให้พระอานนท์อธิบายให้พระหมากระจียนาอธิบายให้พระหากรตปะอธิบายเพราะใครอธิบายก็คือกันเพราะมันเหมือนกันมันเรื่องเดียวกันอย่างที่เคยพูดถึง ราชบุตารีคนหนึ่งที่กราบทูลถามเรื่องพระสองรูปนะฮะพระสองรูปที่ท่านยกตัวอย่างมาเรื่อยนะฮะองค์หนึ่งทําบุญในการให้ทานมามากและคนหนึ่งอย่างอื่นทําความดีเยอะแต่ว่าแม่ทานอย่างเดียวไม่เคยให้ทานความแตกต่างมันแตกต่างกันเห็นว่าบวชมาแล้วองค์หนึ่งจะร่ารวยด้วยอติเดกและลาบมีราศการะแยะเพราะว่าเคยให้ทานมาองค์หนึ่งจะขาดแคลนบิธบาตก็ไม่เคยได้อยากจนขัดสน แต่บรรลุพักผลนี่ยจะเหมือนกันในที่ตัววิมุติคือจิตที่มันหลุดพ้นก็เรียกว่าหมดอาสวะด้วยกันมันเหมือนกันตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าถึงจุดสมบูรณ์ด้วยกันแล้วผลจะเหมือนกันเพราะสภาวะสิ่งเหล่านั้นจะไม่เปลี่ยนไม่ว่าจะพูดระดับใดก็ตามระดับศีนระดับสมาธิระดับปัญญาเนี่ยฮะก็คือกันเออกันก็คือศีลก็คือสงบกิเลสอย่างหยาบได้ ยังไงก็ไม่ทำผิดทางกายทางวาจาอาจจะคิดบ้างไงนะอาจจะคิดบ้างสมาธิก็สงบกิเลสอย่างกลางได้แม้แต่ความคิดด้วยกิเลสจะไม่มีสัดเท่าที่ยังมีสมาธิอยู่ระดับปัญญาก็จะหมดกิเลสไปเลยมาความมาไม่การพูดการทำไปด้วยอำนาจของกิเลสแต่คงมีการพูดการทำไหมนะฮะเราตั้งก็เป็นคนเหมือนกันเพราะนั้นเกณฑ์ตรงนี้เป็นเกณฑ์ที่เหมือนกัน แล้วจากนั้นก็สงรงเปล่งเป็นรูปพุทธอุทานพุทธอุทานนั้นแนวเดียวกันว่าเมื่อใดเราเคยได้ยินคําสวดนะฮะสวดในพิธีที่เกี่ยวกับงานศพงานศพนี่เขาเรียกว่าสวดมนต์เขไม่เรียกเจริญพระพุทธมนต์นะฮะงานศพแต่ในมนพระไป็นสวดเขาเรียกว่าสัตตมวานคือเจ็ดวันที่หนึ่งที่สองที่สาที่สสัตตะมาวานก็คือเจ็ดวันแรกเ็ดวันสอ็ดวันสามเจ็ดวันส สัตว์วันที่หนึ่งสองสามสี่ห้านะฮะเราก็เห็นเราก็รู้สมมติว่าแปดเนี่ยก็แสดงว่าผ่านมาเจ็ดเจ็ดวันเนี่ยฮะแปดครั้งแล้วก็ท่านจะเอาข้อความเหล่านี้มาสวดจะดาฮเวปาตุปวันนิธมาตาปิโนชายโตพระมนัสสะเมื่อใดปัญญารู้เห็นทำความเป็นจริงเกิดขึ้นแก่พรามผู้เพียรเพียรเพ่งอยู่ คำว่าเพียนเพ่งเราก็นึกถึงถึงอะไรนึกถึงสมาธิการเพ่งนั้นจะมีอยู่สองลักษณะเรียกอารมณูปนิชานคือเพ่งดูอารมณ์เพ่งดูอารมณ์ก็คืออะไรก็คือตั้งสติระลึกรู้อยู่เช่นว่าภาวนาพุทโธสัมมาหราหังยุบหนอพองหนออะไรแต่ไรก็ตามนะฮะเอามาเพ่งอะไรก็ตามตั้งสติระลึกรู้อยู่ ด้วยความเพียร น, นะฮะมีก็แม้ว่าต้องเพียรเพราะว่าการคุมจิตได้อยู่กับไอ้สิ่งได้สิ่งหนึ่งได้นานๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อวานเลยไปแกล้งพระที่สุราตเขากำหนดไปพูดสามจมงครึ่งแต่ต้องหยุดระหว่างอามากแกล้งไม่หยุดลองดูลองดูว่าท่านทนได้ไหมท่านเก่งนะฮะนั่งทนเรียบร้อยแห้ เห้าวันก่อนก็ไปทดสอบท่านอย่างนี้นก็นั่งทนสามชั่วโมงครึ่งนะสามชั่วโมงครึ่งแต่เราก็ต้องทนเหมือนกันเราทนมากกว่าท่านดีครเราพูดด้วยท่านนั่งเฉยๆนั่งหลับก็ได้มีสิทธิหลับด้วยก็ทดสอบดูว่าบอกแล้วก็บอกท่านนะฮะพอจบก็บอกท่านบอกผมต้องการทดสอบขันติกับวิริยะบารมีของท่านดูว่าท่านมีขันติขนาดไหนมีวิริยะขนาดไหนล้วก็ถือว่าสอบผ่านนะะ อดกลัณนอดผลดีทีนี้มันมันระดับสมาธิมันไม่ใช่ไม่ใช่ทนขนาดนั้นทนขนาดนั้นมันยังไม่เกิดสมาธิด้ะมันต้องเพ่งฟินนตพิจารณาจนเจริญเป็นความสงบแล้วไปถึงจุดหนึ่งมันก็เพ่งอีกเพ่งหนึ่งที่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานคือเพ่งดูลักษณะลักษณะก็คืออะไรก็คือลักษณะของที่เสมอกันหมดของสังขารทารั้งหลาย มันก็มีสามลักษณะอันนี้จะลักษณะทุกขลก ะ, ตตะลักษณะอนัตตลักษณะลักษณะของความไม่เชื่องลักษณะของความเป็นทุคลักษณะของความไม่ใช่ตัวใช่ตนคือเป็นอนัตตาลักษณะเหล่านี้เยอะนะเราสวดอะไรกันเยอะแต่ว่าเป็นภูเขาเลยข้ามยากมากเลยแม้แต่ว่าอันนี้จังก็ไม่ยอม ไม่ยอมรับอันนี้จังไม่ยอมรับทุกขังไม่ยอมรับที่งานหน้าตาเนี่ยไม่ยอมรับเลยมันแปลกที่มันเพิ่มความเป็นตัวเป็นตนที่น่าน้อยใจก็คือว่าอายุมันมากแล้วอัตตามันมากขึ้นเนี่ยมันแย่เลยความเป็นตัวเป็นตนมากขึ้น ท, ทั้งทั้งที่ตัวตนเราชักบังคับไม่ได้นะกลับเป็นเด็กละไปจะลุกจะนั่งอะไรแต่อะไรก็ลุกนั่งแบบเด็กละ แต่เราก็อัตราเราสูงขึ้นทําให้พออัตรามันสูงเนี่ยอย่าลืมมามาน่าทิฐิมันสูงเพราะฉนั้นคนแก่จึงดื้อ ม, มาก <Yeah. S 1> หรือว่าฉันเก่งฉันถูกฉันหนาบน้ามอก่อนที่จริงมันมันเกิดมาจากอักตราเราใหญ่ทำให้มาน่าความถือตัวเราในสูงขึ้นแล้วก็ตามทิฐิทิฐิเนี่ยจ ะ, จะมากเป็นธรรมชาติแหละธรรมชาติเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่จริงแล้วถ้าเราใช้วิปัสสนา ใชปัสนาเกคือพิจารณาไปเรื่อยๆนะจนมองเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาของสิ่งทั้งหลายให้เป็นความคิดที่บางทีคมขมอย่าดูเหมือนเคยเล่าออฟังนะฮะก็พยายามหาว่าใครเป็นคนพูดประโยคนี้แต่หาไม่เจอเปลยวเทียนละลายแท่ง ได้ส่องแสงงานอัมพาตชีวิตมาลายไปหรืออะไรไว้ทดแทนท่านเจโน่เป็นแสดงสภาวะของทุกข์ษัตริย์กับมรรคกษัตริย์และก็นิโรธกัตรย์มันสี่บรรทัดนิดๆข้อความนี้เต็มคมมากๆไม่รู้ใครเขียนเวเทียนลายแท่งนั้นคือยนี้จะลักษณะที่มันเกิดขึ้นกับสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้มันก็เสื่อมไปเรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันมันก็เดินไปตามมรรคคือให้แสง ให้แสงแก่คนดนในขณะเดียวกันตัวเองก็ทําลายตัวเองไปเมื่อกลับมาถามชีวิตเพชีวิตมาลายไปชีวิตมันก็อนิจจาลักษณะทุกการลักษณะเมือนกันมันก็เสื่อมไปเลยถามมาเดินตามมรรคไหมหรืออะไรไปทดแทนไหมอย่างน้อยที่สุ ด, สดก็คือบุญที่เรียกว่าอนุสาวรีย์อนุสาวดีที่จริงเป็นคําผิดนะฮะคําจริงๆก็เรียกว่าอนุส ร, รณียะ หมายความว่าเป็นสิ่งที่ทำให้คนรำลึกถึงคิดถึงเป็นตราประดับโลกประดับใจนะเป็นคำคมนะมันเป็นอริยสัจแล้วก็ใช้ก็ความเป็นสีบรรทัดทะนั้นเองแต่คมคายมากแม้จะอะไรล่ะแม้จะคมคมสังคมนิดๆ น, นะฮนะคมคมสังคมอย่างนิดๆ แต่ถ้าเรามองในแง่ว่าเป็นการกระตุ้นเตือนเป็นการให้สติทาให้เราได้ระหนักถึงความจริงต้องกดประดิลักษ์เนี่ยมันก็จะได้ใช้โอกาสใช้เวลาชีวิ ต, ตเท่าไหร่ก็ไม่รู้ให้มันเป็นประโยชน์เท่าที่เท่าที่ชีวิตมันยังอยู่ที่ท่านเรียกว่าเรียบแรงความเพียรพยายามจะมีอยู่ก็ทำไปเพราะฉั้นลักษณะแพ่งพินิษก็คือกรรมฐาน เห็นไหมว่าตรงนี้พระพุทธเจ้าก็บอกเหตุคือมรรคอเย ค, คือมรรคกว่าเนี่ยเพียรเพ่งอยู่ความสงสัยของพรามนั้นจะหมดไปเพราะมารู้ธรรมพร้อมทั้งเหตุก็เราสงสัยเรามีคำถาม เราเป็นใครเรามาจากไหนเราเคยเกิดมาหรือไม่หรือว่าเราไม่เคยเกิดถ้าเราเกิดเราเกิดเป็นอะไรเรามีความสุขทุกขอย่างไงนรกสวนมีหรือไม่เราตายแล้วต้องเกิดอีกหรือไม่ถ้าเกิดจะเกิดเป็นยังไงมันต้องอย่างมันมั่วๆอย่างเงี้ยถามอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้มองในแง่ของความเป็นเหตุเป็นปัจจัยพุทธเจ้าบอกเกิดก็ได้มันเกิดก็ได้มันแล้วแต่ว่าเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยให้เกิดมันก็เกิดแต่เหตุปัจจัยไม่เกิดมันก็ไม่เกิด เมื่อการตอบมันไม่จะตอบตรงตัวทุกคนต้องเกิดหรือว่าทุกคนต้องไม่เกิดเพราะการเกิดหรือไม่เกิดมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่จริงจริงมันก็อยู่ที่เหตุปัจจัยของมันเมื่อเหมือนกับเมล็ดพืชเมล็ดเนี่ยปลูกงอกหรือไม่งอกมันมันเราพูดไม่ได้มันต้องดูกันทีละเมล็ดถ้าจะให้รับผิดชอบได้เนี่ยจริงๆต้องดูันทีละเมล็ดแต่เราจะรับผิดชอบเฉพาะงอกหรือไม่งอกนะ เพาโดยสภาพก็มาในงอกหรือไม่งอกแต่ไม่แน่พมใส่ไปนในดินเพื่อนำกดรดโครมเดียวมันก็ไม่งอกอ่ะมันก็อยู่ที่เหตุปัจจัยเหตุปัจจัยเหล่านี้ยังมีอยู่ไหมถ้ายังมีอยู่ตราบใดเนี่ยมันงอกตราบใดเพราะฉะนั้นเวลาพูดเนีท่านท่านจากะกระชับนะท่านจะกระชับข้ อ, อ, อความเรียกว่าตาโตประชานาติสเสตุธรรมมังคือรำพร้อมกับเหตุทำพร้อมกับเหตุมันก็ ก็สองเหตุนะฮะสองเหตุสองผลความทุกข์น oh, SO e ั้นเป็นผลสมุทัยก็เป็นเหตุตราบใดที่ยังสมีสมุทัยตราบนั้นต้องมีทุกข์เหมือนกระดาเหมือนกระสาบใดที่มีไฟตราบนั้นต้องมีความร้อนตราบนั้นต้องมีแสงสว่างเพราะพวกนี้แยกกันไม่ได้เขาติดกันระว่างหรือระว่ังเกลือกับเคมก็เหมือนกันนะฮะตราบใดที่ยังเป็นเกลือตราบนั้นต้องมีความเค็ม แต่เมื่อเราสลายความเกลีหมดไปความเป็นเกลือก็หมดไปเห็นไหมฮะความเป็นเกลือก็หมดไปวันเมื่อเราสลายกิเลสได้ความทุกข์ก็หมดไปเพราะความทุกข์มันเป็นสิ่งที่สืบเนื่องมาจากกิเลสทีนี้ก็ส่งอุทานเหมือนเดิมเพราะความต้องสายก็หมดสิ้นไปเพราะว่ามารู้ด้วยเหตุ ที่ให้หมดสิ้นไปคือทำลายตัวเหตุการทำลายตัวตัวเหตุนั้นก็ส่งแสดงในรูปของกระบวนการดับนะฮะว่าอันนั้นดับดั บ, ด, บ, ด, บดับเป็นแถวไปกองทุกข์ทั้งมวลก็ดับไปด้วยอย่างนี้อันนั้นคือการพูดในแนวในแนวโดมิโนอย่างที่ว่านะจริงมันไม่ต้องพูดขนานดะนั้นก็ได้นะฮมันเหมือนกนระโดจักรวิ่งมาเอ็กีิโบกี้ช่างมาเนี่ยนะฮนะไม่ต้องไปนับมันก็ได้ เพราะถ้าดับที่หัวรถจักรได้ไ อ, อ, อ, อ้นั่นแหะโบกี้ต่างๆมันก็หยุดอะแต่ถ้าเราจะพูดมันยาวไปก็ได้นะเมื่อโบอกี้ที่หนึ่งหัวรถจักรดับโบกี้ที่หนึ่งก็ดับโบกี้สองก็ดับโบกี้สามก็ดับเ ร, เราก็จะว่าไปเลยก็หยุดว่าอย่างนั้นก็ได้ไม่ว่าก็ได้แต่เราก็มองเห็นคล้ายๆกับโคตต้นไม้เนี่ยฮะ คนต้นไม้เราจะพูดว่าไอ้อย่างนั้นก็หักลงอันนี้ก็พ้นลงพ้นล ง, นลงก็นับไปยังไงก็ได้หรือมึงเอาหมดทั้งต้นก็ได้ก็คือการนั่นนหะทีนี้เมื่อปฏิบัติไปอย่างนั้นถึงจุดที่สมบูรณ์เนี่ยจิตใจก็ท่าก็จะปลอดจากอำนาจอาสวะกิเลสอุปมาเหมือนพระจันทร์นะฮะเหมือนพระจันทร์ที่มัน ไม่มีเมฆหมอกมากํบาบังพูดถึงเมฆหมอกที่ทําให้ประจันทร์พระอาทิตยศร้หมองเนี่ยวิธีชีวิตของคนตลอดถึงวิถีชีวิตของพระแต่ว่าที่พระเจ้าทรงแสดงนะั้นแสดงที่พระนะฮะแต่อย่าลืมว่คนนะ่ะพระก็คือคนนะ่ะเพาชีวิตของเรานะั้นจะเศราหมองไปด้วยเหตุสี่ประการ ปัญหาเรื่องเพศปัญหาเรื่องอาชีพการสแสวงหาปัใจจัยในการดำรงชีวิตนะฮะแล้วก็สิ่งเสพติดปัญหาเรื่องสิ่งเสพติดโทษแล้วปัญหาเรื่องเงินทองนะปัญหาเรื่องเงินทองทั้งหลายเป็นตราบาปของมนุษย์มนุษย์ไปแตะตรงนี้คนใดก็ตามนะแตะแล้วเสร็จทั้งนั้นเนะี่ย ขาดความระมัดระวังพวกนี้ก็ถือว่าเป็นยาพิษเป็นอาสรพิษอาสีวิโสนี่อาสีวิโสอาศรพิษที่มีพิษร้ายรูปปัญหาที่เกิดขึ้นแก่คนในสังคมทุกยุคทุกสมัยจะมีเรื่องเพศมีเรื่องเพศจะมีเรื่องเงินจะมีเรื่องอาชีพจะมีเรื่องสิ่งเสพติดที่ปนอยู่ตลอดเลยตอนนี้กําลังคิดใหญ่แต่นั้นหรือเปล่า อันนี้ที่จริงมันเป็นอาการนะนะมันเป็นอาการเฉยๆแต่ถามเราสาวลึกไปเบื้องหลังเราจะเห็นว่าทั้งหมดมันมาจากกิเลสไอ้กิเลสเหล่านี้สาวไปอีกอีกก็มาจากอาวิชชาหมายความถ้าเรารู้สักอย่างหนึ่งเนี่ยเราคุมกิเลสได้เราหากินเราไม่มีปัญหาในเรื่องเพศไม่มีปัญหาในเรื่องเงินไม่มีปัญหาในเรื่องสิ่งเสติดไม่มีปัญหาในเรื่องอาชีพ คงมีชีวิตะเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าคุมกิเลสได้คุมตนาได้ไม่อยากเกินไปไม่มุ่งแต่จะได้เกินไปที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าจะคิดถึงความตายไปบ้างหน่อยนะมันก็ไม่น่าจะไปอะไรรุนแรงเกินไป จเริมมรณาสติเอาไว้นะฮะนึกถึงความตายเอาไว้แต่ไม่กี่วันแล้วไม่กี่สมัยโบราณในนันบุดีเรไม่กี่ผืนผ้านุ่งแล้วคนเท่าคนแก่คนเฒ่าคนแก่ก็เรียกว่าคติชนวิทยาเป็นคติชนของคนไทยปุยญาตยายท่านคิดง่ายๆนะฮะท่านคิดง่ายๆแล้วก็ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรยจนอยู่ไม่กี่ผืนผ้านุ่งแล้ว เป็นลักษณะที่ปรงปลุกในโลกนะครับพร้อมที่จะสะละโลกแล้วก็เตรียมสเสบียงไปในการเดินทางเพื่อไปโลกนะ้นมันก็อาศัยพื้นฐานความเชื่อในเรื่องกรรมเรื่องทางสารวัตรที่เป็นผลมาจากการตัดรู้ของปุตตาเ พ, พระาะลักษณะการตัดสู้เนี่ยมันเป็นความรู้ที่เกิดผุดขึ้นนะฮะถ้าเรามองถึงคนในยุค ยุคนั้นนะยุคใกล้ๆ ก, ก, กับพรตพุทธเจ้าเนี่ยมันมีนักประดา ก, กรีกคนหนึ่งชื่อไพทักรัฐเก่งนะฮะคิดตรงกับฤกษไใจรักเลยเห็นทุกครั้งอันิจจังแต่แต่ไม่เห็นอนัตตาอนัตตาไม่รู้นะแต่อธิบายโลกในแง่ของอนิจจังทุกครั้งเพียงแต่ว่าวิญญาณเชี่ย วิญญาณยังเที่ยงไปตะกรัดเถอวิญญาณอย่างเที่ยงซึ่งหมายความถ้าทางยุโรปแล้ววิญญาณเที่ยงนะฮะความคิดต่างยุโรปในวิญญาณจะเที่ยงเอเชียเองวิญญาณเที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงของพุทธศาสนาเทนั้นเองคือแสดงว่าพระเจ้านั้นแยกออกมาเป็นขณะได้แยกขณะขนาดขณะมันต่อกันเราก็เห็นเป็นเที่ยงนะคล้ายๆกับเส้นช็อกที่เราลากบนกระดานหรือถ้าเราูไกลๆมันก็มันก็เป็นพืชติดกัน แต่ถ้าเรามาดูใกล้ๆแล้วเอาแว่นขยายสองดูมันไม่มีอะไรติดกันเลยมันเป็นคลื่นนะนัมันต่อกันไปเป็นแถวเป็นบวกอนูมันต่อกันไปเป็นแถวแม้แต่เป็นปรมาณูเองนะก็ยังแยกย่อยไปได้แสดงว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนจริงๆแล้วเมื่อไม่เป็นตัวเป็นตนมันก็ไม่ไม่เชื่องหรอกคนโบราณท่านใช้วิธีสวด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 ไปไปอยู่ในวัดพระท่องหลวงปู่องค์หนึ่งที่ชื่อท่านขานนันท่านท่องเสียงเย็นเนี่ยนะเราก็นั่งฟังแต่ก็ไม่เข้าใจเลยนะฮะไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าฟังแล้วมันรู้สึกมันชอบไอ้มันเพลอะดีแต่ไม่รู้หมายความยังไงอ่ะแล้วก็จำจำกับท่านได้มาตลอดไอสวดเย็นๆนะสวดสงบสเป็นเป็นนนุสติที่เตือนใจนั่นก็คือลักษณะอนิจจ่าเออเพ่งดูลักษณะ ที่นเราเราเราทำไปเนี่ยความรู้ที่แนวตรัสรู้มันไม่ใช่รู้แบบเรียนไม่ใช่รู้แบบคิดแต่เป็นการผสมผสานทั้งหมดแต่เป็นจริงๆและเป็นผลของการปฏิบัติมันเป็นความรู้ที่เกิดผุดขึ้นภายในใจที่ท่านเรียกว่าอาริมักในองค์แปดตามปกติเราไม่เข้ามาพูดนะที่จริงมันมีสิบนะอริมักในองแปดเนี่ยองค์ก็ประแปดองเนี่ยจริงๆมันแปด แต่ไม่ใช่ตัวมร์นะฮะเป็นเครื่องประกอบมร์ตัวมร์จริงๆคือสัมมาญาณนะเป็นความรู้ในทางที่ชอบเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเกิดญาณจัปนเมรัสนังก็เลยญาณคือสัมมาญาณนะความรู้ชอบเกิดผุดขึ้นภายในพระไัยของพระองค์ทาให้พระไถ่ของพองค์หลุดพ้นเขาเรียกว่าสัมมาวิปุสคือหลุดพ้นในทางที่ชอบเพราะในคําว่าตัสรู้นั้นมันจะมีผลเกิดขึ้นภายในจิต ที่ทรงอุปมาเหมือนพระอาทิตย์อุทัยเห็นไหมพระอาทิตย์อุทัยขึ้นมามันเป็นอะไรมันขจัดความมืดมันเกิดแสงสว่างขึ้นมาแล้วกขจัดความมืดทําโลกให้สว่างสวยสิ่งทั้งหลายปรากฏตามความเป็นจริงหมดเมื่อก่อนมันอยู่ในที่มืดเราไม่รู้อะไรเป็นไรแต่พอพระอาทิตย์อุทัยขึ้นมามันขจัดมืดทําโลกให้สว่างสวยสิ่งอะไรมันเป็นยังไงมันก็เป็นก็มันอย่างที่มันเป็นเราเห็นตามความจริง พระว่าพระเจ้าจึงอยู่ในโลกด้วยความรู้เห็นตามความเป็นจริงแต่ว่าการการตรัสรู้นั้นก็เหมือนพระอาทิตย์อุทยัยตัวปัญญาเนี่ยเหมือนกับแสงพระอาทิตย์มันอุทัยกันมาแล้วมันกรจัดความมืดเพราะาหัวหอมความวิชาทั้งเบิกก็ดับคําว่าตรัสรู้หรือคําว่ารู้ในความหมายพุทธศาสนาหมายถึงกิเลสต้องลดด้วย นะเป็นปรเรียน9้าประโยคสักกี่เกก็ตามนะฮะเป็นด็อกเตอร์สกก Landes ี่ด็อกเตอร์ก็ตามถ้ากิเลสไม่ลดก็ยังไม่ถือว่ารู้กิเลส ต, ต้องลดด้วยและที่จริงถ้ารู้จริงกิเลส ต, ต้องหมดนะนะกิเลส ต, ต้องหมดทังหมดสิ้นไปเพราะงั้นเออถ้าหมดสิ้นไปตามลําดแบบับเราเริ่มรู้เราเรียกพุทธะเนี่ยอนุพุทธะเราเรียกจากพระโสดาบันนะฮะเราไม่เรียกจากจากพระสงฆ์ทั่วไปเพราะจึงพระสงฆ์ทั่วไปไม่จะรู้จริงอ่นะ รู้จริงต้องขนาดพระโสดาบันขึ้นไปอนุพุทธะยังอยู่จากตรงนั้นนะฮะรู้ตามรู้ตามพระุทธเจ้ารู้ได้จริงพระโสดาบันตะ ก, กิตาคารค า, าก็ไม่หมดเหมือนพระุทธเจ้าหรอกมีพระหานั่นเองที่หมดแต่ท่านนับจากตรงนั้นเพราะว่ากิเลสที่ท่านละได้เนี่ยมันไม่เกิดแล้วสมัครท่านนะนะสมัครท่านไม่เกิด อ, อ, อีกแล้วตํานองคท้ายๆเราจุดไฟขึ้นในที่จุดหนึ่งมันไม่สว่างหมดแต่ตรงนั้นไม่มืดก็แล้วกันตรงที่แสงสว่างยังอยู่มันไม่มืด ท่านจึงเรียกจุดนั้นว่าเป็นอนุพุทธนะอนุพุทธเรว่ารู้ตามหรวพ่อพระเจ้ารู้เพราะในโอกาสที่เป็นช่วงวิสาขาบูชาเนี่ยจะเรามาประกอการประสูติการสัตรู้ตลอดถึงการปริิบัติของพระพุทธเจ้าที่จริงแล้วเป็นกระบวนการของธรรมะที่เกิดขึ้นมาจากเหตุการเกิดดีก็เกิดขึ้นมาจากเหตุที่ดี ก็คือบรารมีธรรมที่อบรมมาเป็นบา ร, รมีว่าบา ร, รมีประมัติบา ร, รมีการตัดสรู้ดีตัดสู้ชอบก็เกิดขึ้นมาจากบา ร, รมีธรรมที่องค์ชัยชนะมานได้เราจะเห็นว่าบทพาวขุงที่พูดถึงการชัยชนะมานของพระพุทธเจ้าที่จริงก็ชนะด้วยบา ร, รมีธรรมบทบธรรมทั้งสิบประการนั่นเองที่สะสมอบรมมาเป็นฐานของพระไทยแล้วก็ สิ่งตานะ่าดน้ามาสร้างขึ้นปัจจุบันแต่มีบารมีเป็นตัวฐานนะฮะเป็นตัวสนับสนุนในสุดพระองค์ก็ตจจรัสรู้พระทายนั้นประวางสวยัยรุ่งเรืองอยู่ในโลกด้วยความรู้เห็นตามความเป็นจริงยาที่ทรงสอนเราเคยเคยเอามาเล่าฟังนะฮะมันไพเราะมันชอบมาตัวเนี้ย เอตภาสะทิบางโลกังกิตังราชาวัฑูปะมังยถตบาลาวิซีดันตินติสังโควิชาเดาตังเธอตั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตราการ ร, ราชรสที่พวกคนเขาค่องอยู่แต่พวกผู้รู้ไป่ค่องอยู่ก็อยู่ในโลกเดียวกันนะฮะแปลว่าคนหนึ่งมันมืดคนหนึ่งมันสว่างนะ ก็อยู่ในโลกเดียวกันคนหนึ่งอยู่ในที่มืดคนหนึ่งอยู่ในที่สว่างคนหนึ่งก็ไปไหนไม่ได้ไม่ถูกเที่ยวหมุนบนอย่างนั้นเด้งคนที่อยู่ในที่สว่างเขาก็จะเห็นเขาจะไม่คล้องไม่ติดอยู่ในสิ่งเดล่านั้น ท, ท, ทั้งๆได้อยู่ในโลกเดียวกันเพราะงั้นคุณลักษณะของการประสูติสัจรู้แล้วก็จุดเด่นที่ผานนะนะคุณลักษณะเด่นนั้นเป็นผลที่มาจากกา ร, รสัสรู้ การประสูตรเป็นตัวสนับสนุนนะฮะการนิพพานนี่ยิงมันเป็นผลแต่ว่าบารมีทั้งสิบประการนั้นเป็นตัวการสําคัญนะเป็นปัจจัยหนุนที่วีการสาคัญเพราะเราจะเห็นว่าบารมีสิประการคืออริยมรรคนะฮะอริยมรรคมียของแปประการนั่นเองไปจับแล้วจะเห็นได้ชัดว่าคืออริยมรรคพราะเขาสมบูรณ์ก็สร้างนิโรธที่สมบูรณ์นิโรธที่สมบูรณ์เกิดขึ้นสมุทัยก็ดับไปอย่างสมบูรณ์ความทุกข์ก็ดับไปอย่างสมบูรณ์ เหมือนเปล่าที่ดูไทยอย่างนี้ว่าทําอากาศให้สว่งางขจัดมืดและทํำพองฟ้าให้สว่างสวัยพระเจ้าเราจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานรู้ด้วยปัญญาคุณตื่นด้วยบริสุทธิ์จีคุณเบิกบานด้วยพระกรุณาคุณวงการน้อมสักการบูชาพระเจ้าไม่ว่าในช่วงใดก็ตามก็คือการพยายามพัฒนาปัญญาบริสุทธิ์และกรุณาเพื่อความเป็นผู้รู้ผู้ตื่น ผู้เบิกบาทโดยเศษจยอรอยอยุคนบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระหันทั้งหลายั้านเองแต่วันนี้ก็ข อ, อุติไว้ได้วยเวลาเพียงเทน่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณ์ในธรรมจงมีแต่ท่านสายชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเชิ